ทีนี้อาชีพก็เหมือนกันนะ่จริงกายธุจิตวจีทุจริตนั่นแหละที่ทําเป็นอาชีพก็มีอาชีพทําปาณาติบาตรนะรับจ้างค่าค่าปูค่าปลาค่าอะไรก็ว่าเหอว่ามันค่ามันมีหลายระดับเพชรขัตน้อยๆอย่างเง้ย น, นะจนถึงมหาเพชรขัตนะค่าล้างบางล้างเมืองเป็นต้นเนี่ยนะก็อาชีพปาณาติบาตรอาชีพอธินนาทานอาชีพการเมสุมิจฉาจารอาชีพ มุสาวาดอาชีพพฤสวาจาอาชีพสัมผับปลาปะอาชีพอะไรปิสุนาวาจารับจ้างส่อเสียดรับจ้างยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยนะถามว่ามีไหมนะมีเนี่ยนะรับจ้างส่อเสียดให้บ้านเมืองแตกกันเลยอ่ะวันนี้มันส่อเสียดอย่าว่าส่อเสียดระดับเล็กน้อยนะรับจ้างส่อเสียดระดับว่าบ้านเมืองให้มันฆ่ากันได้ยุยงแยงตะแคงรั่วขนาดนั้น มันสอเสียดเนี่ยที่ว่าทั่ว้คนนั้นทะเลาะกับคนนี้คนนี้ทะเลาะกับคนนั้นโอ้ะ น, นี่เล็กน้อยเนี่ยนะเพราะผลแห่งส่อเสียดนะั้นมหาสงครามมันเกิดขึ้นได้ผลของการยุแยงแต่แข่งรั่วเพราะฉะนั้นพวกอากุศลกรรมบทเนี่ยนะที่มันลุกลามมันเป็นที่การเป็นที่ตั้งแห่งการประกอบอาชีพได้ทั้งหมดรับจ้างกำจัดสัตว์ในอบายมีไหมมีรับกำจัดปลวกรับกำจัดมดเน <c oughs> ก็คือรับกำจัดสัตว์ในอบาย เป็นอาชีพเลยนะเป็นอาชีพพรันพวกบาปอากุศลนี่มันทำงางันเป็นอาชีพเลยนะประกอบอาชีพในการทำปาณาติบาตเป็นต้นเราก็มานึกดูนะว่าเออมันเป็นประโยคะเป็นเหตุใกล้ให้เขามีทรัพย์สมบัติมีอยู่จริงไม่ไม่ปฏิเสธแต่ว่าเขาไปดึงเอาบุญในอนาคตมาใช้โดยผิดวิธีเขามีเหตุการณ์วิเคราะห์ว่า เขากลุ่มเขาสงสารในกลุ่มข้าราชการอยู่กลุ่มหนึ่งเงินเดือนประมาณหมื่นกว่าบาทพวกนี้ก็เขาก็มีไอ้โครงการเบิกเงินในอนาคตมาใช้อะนะนก็คือไปดึงเอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อนน่ยก็เลยมาผ่อนบ้านผ่อนรถเงินเดือนหมื่นกะว่าบาทเนี่ยนะผ่อนรถคันหนึ่งผ่อนบ้านหลายแสนเนี่ยถามว่าตกลงเหลือเงินเดือนเท่าไหร่ต้องกระจายทุกวันเนี่ยตกลงแล้วเหลือเงินเดือนอยู่เดือนละสองสามพันเนี่ยนะ ถ้าถามว่าเดือนละสองสามพันต้องมีบ้านมีรถแล้วต้องใช้ค่าใช้จ่ายทีวีตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์มีหน้ามีตาออกงานสังคมประจำเนี่ยมันจะอยู่ยังไงอ่ะเพราะตัวเองเนี่ยไปดึงเอาเงินในอนาคตมาใช้หมดแล้วผู้ที่ทำบาปประโยค่าวิบัติแล้วบาปมาให้ผลเออบาปยังไม่ให้ผลเนี่ยนะประกอบทุจริตกรรมแล้วผลบุญก็คือดึงเอาบุญที่จะจะเกิดโดยทารีบมาใช้ไป ถ้าถาหมดบุญแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเสียหายมากๆเลยนะที่ที่เห็นวันคนที่ทําทุจริตถึงได้ทรัพย์มาอยากคิดว่าทรัพย์เหล่านั้นจะยั่งยืนเนี่ยนะทีนี้นึกถึงคนพาลทั้งหลายเนี่ยนะเขาทําบา ป, ปรกรรมทําชั่วไว้มากๆเก็บมรดกเอาไว้ให้ลูกเยอะๆตาแล้วไปเกิดเป็นเปรตแล้วไปเสียใจยทําไมมันไม่ทําบุญหยาดน้ํามาให้เราบ้างอันจะไปทําอะไรมันสังสมอัธยาสายบันพบบุรุษมาเนี่ยนะ บางคนนะ่ะสอนครอบครัวให้ทำชั่วมานานอะนะมากๆเข้าทำไมเข้าไม่ทำดีกันบ้างมันจะไปทำยังไงเพราะตัวเองสอนแบบนั้นมานานพ่านผู้ที่ทำบาปทำอกุศลเนี่ยมันลุกลามอย่าคิดว่าหยุดอยู่ใกล้ๆตัวนะมันสาวไปเรื่อยสาวไปเรื่อยไปหาบุคคลอื่นด้วยแล้วตัวเองก็เดือดร้อนต่อไปด้วยอันบาปอากุศลเนี่ยเวลาให้ผลแล้วก็บางคนเนี่ยอ้างเพราะเหตุแห่งอาชีพถ้าเขาไม่ทำเขาจะอยู่ได้หรือ ก็บอกว่าตัวที่จะทําให้ไม่ต้องทําบาปประกรรมมีอยู่พอเลือกทําได้แต่บางคนก็จะโยนปัญหาไปให้ประชาชนแหมทําตัวเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าทุกคนเขาคิดแบบเราอนะ่ยว่าเป็นนั่นคิดแต่แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะนะบางคนนี่คิดอย่างนั้นเลยนะเออนี่ท่านไปที่ไหนก็ชวนแต่คนบวชงั้นเดี๋ยวก็ศูนโลกเลยเชื่อมันเป็นไปไม่ได้รเราไปคิดอะไรที่มันเกินไปเนี่ยนะขอให้เรามีศีลคนเดียวอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะมีศีลตามเราหมดเลย สมัยพุทธกาลการหาปลาไม่ได้ลดลงเลยชาวประมงก็ยังหาปลาอยู่ตามเดิมนะที่มาของชาวประมงย่งปลาพวกเด็กมันก็ตีงูตามเดิมเนะหน้าทางวัดเชตวันนั่นแหละนะสมัยพุทธกาลจะกล่าวไปยายถึงสมัยอื่นๆถามว่าสมัยไหนสงครามเยอะสมัยพุทธกาลก็ไม่เบาพระเจ้าอาชาติศัตรูพระพุทธเจ้าแกะก็นับถือไปตีเมืองภัาลีก็ยกไปตีนะ ฆ่านางบางฆ่าเยอะภัยาลีถูกฆ่าไปเยอะพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยสังฆ่าแล้วเจ้าวิทูตพนะนี่ยไปฆ่าสักยะนี่ยฆ่าไปเท่าไหร่นะรั้นสงครามสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้ลดไม่ได้น้อยสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทําให้เห็นว่าประชาชนพลโลกเนี่ยนะถึงสอนให้มีศีลธรรมบ้างบางกลุ่มอีกหลายกลุ่มก็ไม่ได้ลดลงอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องไปห่วงถึงขนาดว่าเออนี่ถ้ามีศีลธรรมทั้งหมดจะเป็นไปได้หรือ อันนี้มันคิดเกินไปนะขอให้รักษาอยู่ในโลกกายาวานาเคลืบกว้างศอกให้มันเป็นกุศลให้ดีเถอะไม่ต้องไปคิดการไกลไปเป็นนายกอะไรหรอกนี่ันพวกสัมมาอาชีพนี่ก็ให้ประกอบให้ให้อยู่ดีเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของของตนนะ่ะนะถ้าเราทาบาปไม่มีใครมาทุกแทนเราหรอกเคยเห็นไหมบุคคลอื่นทุกแทนเราถึงญาติเราตายก็อย่างมากเาก็ให้พวงรีดมาอันเดียว จะไปให้อะไรมากมายกันนั้นไม่ให้หรอกมานั่งร้องให้คร่ำครวญช่วยเราอยู่ทั้งๆไม่ไ ม, ม, มีมีหรอกมันมันของใครของใครจริงๆปัญหาอะไรที่มันเป็นบาปก็อย่าไปทําให้ตัวเองเลยอะไรพี่เป็นบุญก็เรียบเจริญให้ตัวเองเถอะอมมานึ ก, นกๆไปนะโวจะเป็นศัตรูให้ตัวเองไปทั้งไหนกันทําแต่บาปทําแต่อกุศลอะไรเป็นบาปนะรีบทํากันหน้าดูเลยอะไรเป็นบุญนะช้าๆหน่อยอันนี้ เย็นไว้เย็นไว้ไม่ต้องรีบเร่งขนาดนั้นเราก็พอแต่บาปนี่รีบจริงๆเลยนะตบบึงร้อยี่สบนแหละจะไปให้มันทำนนแล้วก็ควรที่จะแยกแยะให้เป็นนะอะไรดีอะไรชั่วพวกที่ประกอบอยู่ในสัมมาอาชีพเนี่ยนะกูสุรธรรมเป็นอันมากก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเชื่อเถอะในห้องเราเนี่ยนะเขามาเชื่อว่าอาจจะทั้งหมดเลยอยู่ในสัมมาอาชีพจึงฟังทำได้ ถ้ามิจฉาอาชีพอยู่นะร้อนผางกันแล้วโดยมากร้อนจริงๆบางคนนะทำบาปมาแล้วเดือดร้อนเออเนี่ยแล้วทํำยังไงก็บอกเขาคุณทําปานาติบาตไม่เท่าบริษัทบางบริษัทหรอกเพราะงั้นไม่ต้องร้อนอะไรนะเขามีผู้ศึกษาธรรมะแนะนําด้วยกันอนยะ่างบอกโอ้โหนี่แทนที่จะแนะนําดีนะที่ไหนได้ <c oughs> ก็บอกคุณเนี่ยผมเนี่ยบาปเยอะเนี่ยบอกคุณเนี่ยบาปสู้คนนั้นคนนั้นไม่ได้หรอกเพราะ ง, งัน มันก็เลยเอาบาปคนอื่นมากลบหมดเลยนะที่ไหนได้ตัวเองบาปตัวเองก็ไม่ได้ลดลงอะไรเพราะฉะนั้นก็หมู่สัตว์นี่เขาเป็นอย่างนี้จริงๆส่วนผู้มีความพยายามชอบอันนะละอะไรละมิฉาวายามะมิฉาวายามะนี่เขาเป็นยังไงเพียรทําบาปแล้วก็เพียรที่จะละบุญอันนะเพียรเจริญบาปเพียรที่จะไม่ทํากุศล อากูสนนี่มันต้องเพียรเหมือนกันนะยคนเกียรตคร้านนะ่ะทำอากูสนหลายๆเรื่องไม่ได้หรอกต้องคนขยันจริงๆนะจึงจะทําอากุศลได้เคยเห็นเขาตกปลาสองนกอะไรยิงนกอะไรไหมมันขยันมากนะทักที่เกียรตินี่ทําไม่ได้หรอกขยันจริงๆพวกปานาติบาศพวกอาทินนาทานเหมือนกันนะโอ้ยตื่นตั้งแต่ดึกยไปย่องแล้วก็ระวด ร, ระวังอดังกระ ก, ก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะตื่นอย่างนะด้อมด้อมมองมองอขยันจริงๆเลย นะบาณาติบาศก็ขยันอธินนาทานเป็นต้นขยันหมดเลยอันนี้เรียกว่าขยันผิดเพียนผิดเนี่ยนะส่วนพวกที่เพียนชอบก็เพียรละบาปแล้วก็เพียนเจริญบุญว่าจะ ก, กําจัดบาปกําจัดอกุศลได้อย่างไรส่วนพวกมิจฉาสติเนี่ยนะมิจฉาสติก็ระลึกไปในบาปและอกุศลสัมมาสติก็ระลึกไปในบุญและกุศลระลึกไปในบุญกุศลเนี่ยระลึกยังไง ก็คือระลึกในกายเวทนาจิตธรรมระลึกด้วยอำนาจของสติปฐานสี่เป็นต้นพวกมิจฉาสติเนี่ยเป็นยังไงรู้ไหมคิดแบบเราคิดนั่นแหละมิจฉาสติคิดแบบปกติของเราที่ไม่มีคำสอนเลยนะนั่นแหละมิจฉาสติไม่ต้องไปถามหาใครหรอกสมมตินะถ้าเราคิดถึงอะไรบอกมิจฉาสติบอกโดยมากขณะที่คิดถึงลูกถึงหลานคิดถึงการงานอะไรทั้งหลายแหละโดยมากเป็นมิจฉาสติ คิดถึงลูกเรานะเราจะคิดไหมอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเราคิดอย่างนี้ไหมโอ้ยไม่กล้าคิดหรอกเน่นะคิดเกิดแก่เจ็บตายยังไม่กล้าคิดเลยอะ่ะเดี๋ยวเขาจะว่าแช่งชักใช่ไหมก็เลยไม่กล้าคิดแม้กระทั่งอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเลยมันคิดดียังเดียวเนี่ยนะดียังเดียวหน้าปราถนาอย่างเดียวนั่นแหละมิจฉาสติละมั้งนั้นส่วนถ้าสัมมาสติก็ระ ล, ลึกไปในสติประธานสี่ระ ล, ลึกไปในกรรมและผลของกรรมเป็นต้นนั่นแหละจึงจะเป็นสัมมาสติเนี่ยนะ ถามว่ามิจฉาสติเป็นยังไงนึกถึงรถเรานึกถึงบ้านเราอะโดยมากอะมิจฉาสติทั้งนั้นมันต้องดีมันใช้งานงะมันงามมันอะไรเนี่ยนะก็นี่แหละลักษณะของมิจฉาสติถ้าสัมมาสติก็ระลึกตามสภาพที่เป็นจริงเขาจริงยังไงก็ชาติทุกชราทุกพญาที่ทุกมรณะทุกระลึกตามจริงแบบนั้นนั่นแหละเรียกว่าสัมมาสติระลึกไปในกรรมและผลของกรรมส่วน มิจฉาสมาธิเป็นยังไงคนตกปลานี่จริงๆแล้วนั่งนิ่งนะนิ่งให้ปลามักินฝึกสมาธิไหมพวกยิงปืนนะต้องนิ่งแล้วก็ยิงเป่งจึงจะแม่น น, นนะนพวกฟุ้งๆเนี่ยยิงไม่ได้ยิงไม่ถูกหรอกเหมือนกันอันนั้นแห ล, ละลักษณะของมิจฉาสมาธิคือเป็นการสงบเพื่อจะทำบาปเนี่ย น, นะมุ่งให้สงบกาหนดจดจาเพื่อจะทำบาปทาอากุลทั้งหลายนั่นแหละเป็น มิจฉาสมาธิมุ่งสงบแล้วมุ่งไปทำอกุศลไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามอันนะเป็นสมาธิที่ส่งเสริมบาปและอกุศลนั่นเป็นมิจฉาสมาธิส่วนสัมมาสมาธิก็เป็นการระลึกด้วยจิตที่เป็นกุศลจิตตั้งมั่นด้วยอำนาจของกุศลพันผู้ที่มีสมาธิดีจริงๆเนี่ยเป็นผลพวงของสัมมาวายามะเป็นผลพวงของสัมมาสติ เพียรสตินี้เป็นตัวที่กําหนดรู้คติแห่งธรรมทั้งหลายพันสมาธิจึงตั้งมั่นได้จิตจึงตั้งมั่นได้จึงเป็นสัมมาสมาธิพวกนี้ก็เป็นมรรคแปดนั่นแหละถ้าสัมมามรรคเกิดนะถ้ามรรคทั้งแปดเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นพระโสดาบันนะกุศลธรรมเป็นอนเนกก็เกิดขึ้นถามว่าถ้าเป็นถ้าไม่เป็นพระโสดาบันนะถ้าเป็นปุถุชนอะไรจะเกิดบอกว่า ความเป็นปุถุชนยึดถือสังขารว่าสุขยึดถือสังขารว่าเที่ยงยึดถือธรรมว่าเป็นอัตตาความเป็นปุถุชนฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อก็ได้ทำสังกเพศก็ได้เลือกหน้าสาสดาเงันหน้าดูสาสดาต่างต่างต่อไปเรื่อยๆก็ได้ไปฝากคันฝากไข่ยอยู่ที่ไหนเต็มไปหมดก็ได้พร้อมที่จะไปเป็นสารพัดมิจฉาทิฐิยังไงก็ได้ นับถือผีสางเทวดานับถือต้นไม้ใบหญ้านับถือภูเขาต้นหินก้อนหินนับถือแม้กระทั่งขี้โคก็นับถือมันนับถือหมดนับถือลิงคางจระเข้เนี่ยนะสรุปว่าในโลกเนี่ยนะมันเป็นพระเจ้าได้หมดเลยบางเผ่านับถือจระเข้บางเผ่านับถือนกบางเผ่านับถือลิงก็แล้วแต่ว่านับถืออะไรเพรันพร้อมที่เดรชานก็พร้อมที่จะเป็นศาสดาของเขาจะกล่าวไปยัยถึงอย่างอื่นเพราันเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดมิจฉาทิฏฐิ เดี๋ยวไปอินเดียนะยมบ้วนสังเกตดูว่าแม้กระทั่งฝุ่นนั่นน่ะเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐิหมดเนี่ยนะประเทศไทยอาจจะพวกกามกามซะโดยมากนะกามมู่ปาทานมากแขกเนี่ยทิศถูกปลาทานเนี่ยมากเติรนเช้ามาต้องเอาดินมือไปลูบแผ่นดินอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอำนาจรับที่ของเขาอ่ะคิดดูว่าสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดตามพุทธศาสนาบางรับที่นับถือว่าโอ้โหยิ่งใหญ่มากต้องไปกราบไปไหว้สิวลึงคืออะไร คือสิ่งที่คนควรจะรังเกียจใช่ไหมเปล่าไม่ใช่เป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาเทิดทูนโอ้ทุกแห่งจะต้องมีไอเสาหลักอันนี้ยไม่ใช่เสาหลักเมืองที่ไหนหรอกนี่นะมันก็นับถือได้สารพัดสิ่งที่ไม่ควรนับถือก็จะนับถือได้ไปหมดเลยนี่นะแล้วก็ระบาดมาถึงไทยเขาเรียกว่าตลาดเนี่ยเสียหายหมดเลยนี่นะอ๋อก็ที่ว่านะมีพระยูรูปหนึ่งนั่งเหลา นั่งเล่าเลาไปพอเล่าไปได้เสร็จแกก็เหล่าหลายอันนะแกก็เก็บเก็บเงียบๆเจ้าวาดก็เดินไปแบบถ้าเออก็เอ๊ะพระรูปนี้ทําไมมันกระมิดกระเมียนแบบนี้นะบอกผมกําลังเล่าอันนี้อยู่ครับก็บอกไหนดูสิแล้วอูก็ท่านก็ทําเหมือนชมอ่ะนะก็บอกมันยังมีอีกนะครับอาจารย์ก็กเลยล้วงออกมาเตะไปหมดเลยก็บอกแล้วพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าออกมาผมเสียดายจริงๆเลยเขบาบอกงั้น อาจารย์เสียดายอะไรครับผมเสียดายข้าวของโยมที่ก็ใส่บาทมาให้ฉันเข้ามาไงนั่งเหล่าเนี่ยท่อนเท่าเนี่ยมีประโยชน์อะไรไม่ทราบเนี่ยบางพระบางรูปก็โหเหล่าสากระเบอือเนี่ยจนถึงเป็นด็อกเตอร์พระเนี่ยนะต่างประเทศกงง็โง่จริงๆเลยมาให้ด็อกเตอร์ได้ยังไงไม่ทราบนั่นจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องจริงนั่นไงปนก็ โทษของวัตตะมันเป็นอย่างนี้แหละนั่นแหละคือให้รู้เธอว่าถ้ายังมีทิฐิอยู่นะพร้อมที่จะเป็นอะไรก็ได้ถ้าไม่ทําปริญญาจนเป็นพระโสดาบันนะพร้อมที่จะนับถือสารพัดนับถือที่คุณไปเห็นเห็นเนี่ยนะในโลกนี้อยากคิดว่าเราจะเป็นไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นพระโสดาบันอย่างที่พระองค์ตรัสว่าถ้าเธอเห็นคนพวกพิการทั้งหลายเนี่ยนะเธอพึงน้อมเข้ามาเธอว่าในสังสารวัฏอันยาวนานเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้ว มันก็แสดงว่าเห็นพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายน้อมใจมาเถอะว่าเราเคยมีทิฏฐิเหล่านั้นแล้วดังที่พระองค์ตรัสว่าอะไรนะในมหาสีหนาสูตรใช่ั้ยในอดีตอันยาวนานเนี่ยอาวาสที่เราไม่เคยอยู่เว้นสุดทาวาสหายากอนะคือไม่มีเลยอ่ะนะหาได้ยากนะที่ไม่เคยเกิดเป็นอย่างนั้นในอุบัติการเกิดเว้นสุดทาวาสเสียที่อื่นเกิดมาหมดแล้ว พันแสดงว่าในบรรดาสารพัดมิจฉาทิฏฐิเราเคยเป็นมาแล้ววัตตะเราจึงยาวขนาดนี้เราก็พร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างเนี่ยคืออยู่ในวัตตะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเม็ดทรายเนี่ยนะถ้ายังเป็นอยู่ยังเป็นเม็ดทรายอยู่พร้อมที่จะเป็นตึกชนิดใดก็ได้ใช่ไหมเพราะถ้าเป็นเม็ดทรายนีพร้อมที่จะไปเรียงเป็นอย่างใดก็ได้ชันใดปุตุชนทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันพร้อมที่จะไปเป็นได้ทุกอย่างเนี่ยนะเพราะว่าปุตุชนเนี่ยเปิดประตูแห่ง วัตตะที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้และมันก็เป็นผลของมิจฉามัคแต่ถ้าสัมมามัค ก, ก็เหมือนกับพระโสดาบันใช่ไหมกำหนดเลยเนี่ยฉันจะฝากคันอีกไม่เกินเจ็ดชาติแล้วก็เลือกคันได้เลือกท้องแม่อยู่ได้อย่างเงี้ยขอแม่มีศีลหน่อยแบบพระโพธิสัตว์เลือกแม่ก่อนน ะ, ะมีศีลเอา อายุแม่เท่าไหร่เลือกได้อีกหมดเนะถ้ามีบุญสักอย่างเนี่ยเลือกบ้านอยู่ได้ใช่ไหมผู้มีทรัพย์ในโลกนี้เลือกบ้านอยู่ได้ไ world, ไดฉันใดผู้ที่มีบุญก็เลือกแม่ผู้มีศีลเป็นต้นได้ฉันนั้นเนี่ยน네ะงานเลือกไม่ได้นะอะไรจะเกิดขึ้นนะพอเกิดในคันตั้บแม่ขี้จะฆ่าอย่างเดียวเนี่ยนะถามว่าเป็นไปได้ไหมมีมากเหลือเกินก็บอกอาชีพใดที่ทําปาณาติบาตได้มากที่สุดอาชีพทําให้เด็กในคันตายอะ่ะอาชีพนั้นทําปาณาติบาตได้มาก มากกว่าทหารอีกทหารฆ่าได้ไม่เท่าไรถ้าเทียบกับทำปานาติบาตกับเด็กที่อยู่ในคันนีนะก็บอกว่าใช้เวลาไม่กี่นาทีเรียบร้อยแล้วนั่นะนะบาปมากกว่าฆ่าช้างนนะหนะวังว่าคุณหมอคนใหม่คงไม่ไปรับประเภทนี้นะเดี๋ยวจะเดือดร้อนในภายหลังนั่นะนะนะเอ่อพวกที่หลุดพ้นผิดเนี่ยนะก็มีนะใช่ไหม ตัวเองไม่ได้บรรลุอะไรแต่สำคัญว่าได้บรรลุอันนี้เรียกว่ามิจฉาวิมุตตผู้ที่ได้สัมมาวิมุตต์เนี่ยนะก็จะละความสำคัญผิดว่าตัวเองคือบางกลุ่มเนี่ยนะไม่ได้บรรลุอะไรเลยแต่สำคัญว่าได้บรรลุมันตรงกันข้ามกับบรรลุบางคนเนี่ยไปบู้บู้เบาๆไม่รู้ว่าความดันปกติอยู่หรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยนะก็นึกว่าตัวเองบรรลุไปแล้วอย่างง พันพวกอย่างนี้นี่แหละเบลเบลบล้างวูบบ้างอะไรขึ้นมาบ้างก็นึกว่าบรรลุไปแล้ว ท, ทั้งที่ไม่ได้บรรลุอะไรสักแหง น, นะก็มีไม่น้อยที่ผ่านยานมาเยอะแยะผ่านยาณสิบหกมาแล้วก็มาทําอกุศลต่อไปอีกก็ไม่ใช่น้อยจริงๆไม่ได้บรรลุแต่สําคัญว่าได้บรรลุเนี่ยนะผ่านยานเนี่ยนะเรียกว่าเข้าเรียกว่าไปดับได้ไปทวนยานได้อะไรได้แต่ว่าบาปไม่ได้ลดลงเลยอันนี้แสดงว่ามิจฉาวิมุติไม่ได้บรรลุจริงๆอะไร พันะผู้ที่ถ้าไม่ได้บรรลุนะตามด้วยบาปอย่างอื่นมาอีกมากเลยนะไม่ได้บรรลุแล้วสําคัญว่าได้บรรลุนะกลุ่มเหล่านั้นโดยมากปฏิเสธปริยัติคําพูดทุกครั้งที่เขาปฏิเสธปริยัติเนี่ยนะเขามาสงสารสั ม, มาาวาจาตรงนั้นของเขาจริงๆที่จริงแล้วแต่ละคําที่เขาพูดตําหนิปริยัติเนี่ยนะเขาน่าจะเสียเงินหนึ่งคำพูดผิดนะจ่ายหนึ่งล้านดีกว่าที่จะพูดผิดหมิ่นปริยัติธรรม เพราะว่าเขาจะต้องจ่ายในวัฏฏะอีกบานอีกมากชนเหล่าใดทำหนิพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงโรรุวะนรกเนี่ยนะในโรรุวะนรกปฐมปัจชุนะทีตุสูตรเนี่ยนะในสังยุตตนิ迦เนี่ยนะถ้าตีเตียนทั้งโดยพยัญชนะหรือโดยอักษรก็ตามหรือแม้กระทั่งตีเตียนอักษรก็ตามเพราะฉะนั้นเสียหายมากนะก็ดูในอุบาลีเถราประทานเนี่ย อุบาลีเถระประธานในเถรคาถ า, าที่ท่านยกขึ้นมาว่าโทษของการดูหมิ่นพระอริยะเนี่ยดูหมิ่นคําสอนนี่ขนาดไหนบอกว่าถ้ามีความผิดดืม่มยาพิษนะ ย, ยังไม่มีโทษสักเท่าไหร่เนี่ยนะให้งูมันกัดตายยังไม่มีโทษสักเท่าไหร่แต่ถ้าผิดกับคําสอนเนี่ยมีโทษยิ่งนัดก็คือคําสอนเนี่ยถ้าปฏิบัติตามปฏิบัติถูกผลคืออะไรอมาตะใช่ไหมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ถามว่าถ้าทําตรงกันข้ามล่ะ สมมติยาชั้นดีเนี่ยนะบริโภคแล้วเนี่ยหายโรคเด็กขาดแล้วมีผู้บอกว่าเออเอาส่วนผสมที่เป็นยาพิษไปเสริมไปใส่เรื่อยๆเนี่ยถามว่าผู้ใดบริโภคก็ยาแทนที่จะเป็นยาดีก็กลับเป็นยาฆ่าชั้นใดมันถ้าผู้ที่ปฏิเสธหรือดูหมิ่นตำหนิคำสอนเป็นต้นเนี่ยลำบากถ้าผู้ที่ไม่บรรลุแล้วสำคัญตัวว่าบรรลุนะ จะหมิ่นพระรัตนะตรายหมิ่นคําสอนเป็นต้นเนี่ยอย่างสนิทใจตําหนิพระธรรมทั้งโดยพยัญชนะบ้างตําหนิโดยอัถะเป็นต้นบ้างคําที่ตําหนิเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันมีโทษสกปานใดนะก็มันเป็นวัตตะสงสารเนี่ยนะถ้าความเป็นปุถุชนยังมีอยู่เราเป็นศัตรูของพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าเรายังเป็นปุถุชนนะใครจะว่าใครจะคิดนะว่าเราไม่ใช่ครูทั้งหกอันเนย ถามว่าสามารถเป็นไปได้ไหมได้ครูทั้งหกก่อนหน้านี้มาเนี่ยเขาไม่ใช่ครูทั้งหมาก่อนนะเขาไม่ได้เป็นครูอะไรบางคนเป็นทาสมาก่อนแต่คนมานับถืออับปโลกขึ้นเสกขึ้นเสกเข้าถูกเขาเสกขึ้นก็เลยเป็นทาสอาหารเลยถูกเขาเสกมาแบบพระพาหยะนะพระพายะถ้าพรหมไม่เตือนนี่ลําบากเดือดร้อนแน่ไม่รู้จะไปทําบาปอะไรอีกนักหนา พันผู้ที่ไม่ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสัมมาวิมุตตไม่ใช่บรรลุจริงบรรลุแท้บรรลุปลอมบรรลุไม่ปลอมเนี่ยนะถ้าไม่ศึกษาให้ดีนะโอ้ได้ได้บาปอีกเยอะนะไม่บรรลุแล้วสำคัญว่าตัวเองได้บรรลุอย่างพระบางรูปที่เคยรู้จักมาไม่ได้บรรลุอะไรเลยสำคัญว่าได้บรรลุแล้วหลังจากนั้นท่านทำบาปอีกมากนะทำบาปให้ตัวท่านเองนะท่านทาบาปให้ตัวท่านเองอีกมาก มันนึกถึงว่าถ้าบาปเหล่านั้นมันให้ผลแนละท่านจะใช้ผ้าซับน้านําตากี่พื้นก็ไม่รู้นะใช้ผ้าซับเลือดกี่พื้นก็ไม่รู้นะว่าต้องใช้อะไรมารองเลือดนะที่ตัวเองได้ทําปากุศลไปพราะนั้นมิตรชาวิมุตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโทษมากถ้าได้สัมมาวิมุตเนี่ยนะการบรรลุตามความเป็นจริงก็ละความสำคัญผิดว่าได้บรรลุไปได้ ส่วนผู้มีญาณทัศนะก็คือมีปัจเจกขณะยานเลยนะผู้มียานทัศนะที่พ้นจากกิเลสโดยชอบปัจเจกขณะยานก็คือปัจเจกอะไรปัจเจกมร์ปัจเจกผลปัจเจกนิพพานถ้ามีการปัจเจกมร์ผลนิพพานแล้วก็ปัจเจกวัตถุเนี่ยนะก็คือทํำมาทบทวนผู้ที่ปัจเจกขณะยานนานที่สุดนี่คือใครรู้ไหมพระพุทธเจ้าใช้เวลาปัจเจกสิบสองชั่วโมง ใช้วิชวินตอนตอนแรกบรรลุใหม่ๆใช่ไหมสวรรวิมุตติสุขเจ็ราตรีอ่า น, นะแล้วก็พอออกจากวิมุตติสุขก็มาปัจเจกทุกข์กับสมุทัยเนี่ยสี่ชั่วโมงปัจเจกนิโรธอีกสี่ชั่วโมงปัจเจกอริยมรรคอีกสี่ชั่วโมงปัจเจกอริยสัจสิบสอชั่วโมงไม่ใช่ว่ากันเป็นแค่วิถีวิถีเนี่ยนะปัจเจกแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยชาวนะเนี่ย เขาบอกว่าพูดง่ายๆว่าหายใจหืดหนึ่งระลึกได้91กลับเนี่ยถามว่าท่านจะปัจเจกขนาดไหนนนใช้เวลาสิบสองชั่วโมงปัจเจกเนี่ยนีโอ้จะมากขนาดไหนนะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปัจเจกมากเพรผลผลของการปัจเจกโดยชอบของพระองค์เนี่ยนะทำให้พระองค์เนี่ยสอนสอนทําได้สอนพระธรรมได้สอนอริยสัจโดยประการต่างๆได้นั่นเป็นผลของการปัจเจกเนี่ยนะผลของการปัจเจก แต่ถ้าไม่มีปัจเจกนะบรรลุเหมือนกับนิ่งไปแล้วนึกว่าตัวเองบรรลุก็ไม่เคยปัจเจกอะไรสักอย่างเลยก็นึกว่าตัวเองได้บรรลุขึ้นมาเนี่ยนะพันในเรื่องของการบรรลุทั้งหลายแหล่ในยุคนี้เนี่ยมีผู้บรรลุมากเขามีคมภีร์ที่ว่าด้วยการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างฉับพลันเป็นต้นนีนะก็ไปศึกษาเอาให้ดีเนอต้องกรรมของใครก็ของใครจริงๆพริะพันเราก็ให้สงสารตัวเองไว้มากๆยังไงก็ขอเอาพระพุทธเจ้าไว้ก่อน นัททีเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวารังเน่ยนะเฮเตนะสัชวัตเชนะวะเธอยังสาธุสาสเสนเนี่ยนะคำนี้ต้องให้แม่นแมนเลยนะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่เพื่อสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยวาจาสั จ, จวาจานี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสนาเน่ยนะไอ้ทุกนี้ต้องให้แม่นแไว้นะไม่งั้นก็ไม่รู้ว่า ลืมตาดูหน้ า, าศาสดาคนใหม่ไปแล้วก็ได้เนี่ยนะก็ต้องศึกษาให้มันให้ดีๆเนี่ยนะมันผู้ที่มีปั จ, จเวกขณะยานโดยชอบเนี่ยก็จะละไ อ, ไ อ, ไอความสำคัญผิดละมิจฉาละไอการพิจารณาที่ผิดผิดออกไปแต่อย่าลืมนะว่าผิดถูกเนี่ยยุค น, นี้นะบอกตรงๆว่าทุกคนรับผิดชอบด้วยตัวเองมามาไม่ได้ไปรับผิดชอบใครหรอกนะ ข้าพเจ้าจะารักษาพยาจิตตราชของข้าพเจ้าแต่พระ อ, องค์เดียวเห็นไหมทุกมากก็บาปมากเอาดิท่านก็จะต้องพยายามที่จะต้องให้เข้าใจจริจงๆนะศึกษาหารายละเอียดหาข้อมูลให้มันดีๆเนี่ยนะเจริญกรุณาให้ตัวเองไว้เยอะๆเนี่ยนะแล้วจักพ้นทุกอย่างอย่าประทุสร้ายตัวเองเลยก็ให้เดินตามพระพุทธเจ้าเถอะเนี่ยนี่ก็ จริงๆแล้วถามว่าในข้อ35เนี่ยนีเป็นพุทธพจน์ในอะไรนะุัตนนาะช ช, ช, ชิอะไรนะชเรียกอะไรนิชระวัตถุสิบนี่นิชระวัตถุ10 น, นะ น, นั่นเองซึ่งเป็นพุทธพจน์ที่ยกมาจากอังคุตระนิกายเป็นต้นน่นะทีนี้มาดูข้อ36หน้า64ต่อไปว่าอีกอย่างหนึ่งปาณาติบาทย่อมหายไปจากบุคคลผู้เว้นจากปาณาติบาต นะ ส, ส, สมาทานไว้ให้ดีๆนะสมาทานศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีนั่นนะปานาติบาจะหายไปหมดเลยนะตั้งใจเอาไว้ให้ดีๆสมาทานไว้ให้แม่นอธินาทานย่อมหายไปจากบุคคลผู้เว้นจากอธินาทานถ้าสมาทานศีลข้อเว้น <c ough> จากอธินาทานเนี่ยนะอธินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีนะอธินาทานจะหายไป การไม่ประพฤติการไม่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมหายไปจากบุคคลผู้ประพฤติพรหมจรรย์วันนี้วันอุโบสถนะวันนี้ผู้มีทรัพย์เยอะมากวันนี้ยอมหลายท่านบริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์มากพิเศษเนี่ยนะเพราะวันนี้เป็นวันอุโบสถคุณนัตตนาด้วยไหมอ๋ออุโบสถเลยนะอนุโมทนาด้วยนี่ก็เข้ามานะปลื้มใจยอยู่อย่างนึง น, นึกๆไปก็ดีใจว่าได้เกี่ยวข้องกับคนมีศีลหมดเลยไหม มันปกติเขาก็ศีลนห้าหลายคนก็ศีลนแปดเพิ่มบางคนก็ศีลนแปดทุกวันพระบางคนก็ศีลนแปดทั้งพรรษาแล้วก็ได้ครบคนมีศีลก็ดีแล้ะก็เลยดีใจเป็นพิเศษบางครั้งเนี่ยนะก็นึกเพื่มขึ้นมาเออได้เกี่ยวข้องกับผู้มีศิ้นเนี่ยะก็เป็นมงคลเอตัมมังคามุตตะมังเลยก็ถือว่าได้ครบบัณฑิตนะนะผู้มีศีลก็เรียกว่าบัณฑิตวันนี้ได้ครบบัณฑิตจึงก็ครบมาบรนานแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะก็ดีฉนั้นเว้นจาก การประพฤติอภิรมจันไหมวันนี้ก็ประพฤติพรหมจันทร์เรียกว่าอุโบสถเนี่ยนีการพูดเท็จย่อมหายไปจากบุคคลผู้มีปกติพูดคําศัพท์ถ้าพูดคําศัพท์นะคำพูดเท็จจะหายไปการพูดส่อเสียดย่อมหายไปจากบุคคลผู้พูดไม่ส่อเสียดนีคือพูดให้มีเมตตาสมักสมาสามัคคีปรองรองกันเนี่ยนี่ยคพูดยุแยงตะแคงรั่วให้เขาแตกระร้ารานกันก็หายไป คำพูดหยาบย่อมหายไปจากบุคคลผู้พูดนุ่มนวลเออบางคนเนี่ยนะมาแปลกใจว่าทาไมเขาพูดเพราะจังเลยเนี่ยเขาพูดเพราะจริงจริบางคนพูดครับแม้กระทั่งกับหมาด้วยเออเขาพูดเพราะมากมากเลยถามมีไหมมีนะหก็พูดเพราะคือคือพูดเขาพูดแบบใจดีอนะคนใจดีพูดแต่คําพูดก็จะฟังแล้วนิ่มนวลไม่กระโชกโคกขากไม่คือผู้ฟังฟังแล้วนี่ก็ไม่ลําบากนะ แต่ตรงกันข้ามกับพูดหยาบเลยใช่ไหมพูดหยาบก็เหมือนเอาก้านบวยครูดหูเนี่ยนะรูดเหมือนกับอะไรตัวรูดรูดไปรูดมาฟังแล้วก็เจ็บขึ้นปวดขึ้นนะบางคนเนี่ยไม่รู้พูดทางรยังไงมโนพูดไปนะคนอื่นก็บาดใจทุกครั้งเลยนะพูดแล้วก็คนอื่นก็บาดเท่านั้นน่ยโทสะเขามากเท่านั้นลักษณะนั้นเป็นพฤสวจาจ่าคำพูดที่คนอื่นพูดแล้วเดือดร้อนพูดแล้วเขาเจ็บช้าน้ําใจมากๆเนี่ยนะก็อันนั้นแหละเป็น พุสวาจาถ้าขอมาเคยพูดให้ลำบากใจก็ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นบาปเป็นกรรมมันก็ผู้ที่พูดนิ่มนวลเนี่ยก็หายคำหยาบเนี่ยก็หายไปการพูดเพ้อเจ้อย่อมหายไปจากบุคคลผู้มีปกติพูดคำที่เป็นสาระตามกาละอันสมควร น, นะพูดเนื้อหาสาระเช่นสาระคืออะไร คำพูดที่เป็นสาระก็คือศีลและสาระสมาธิสาระปัญญาสาระแล้วก็นิพพานอันเป็นอมตะสาระทีนี้การพูดศีลสมาธิปัญญาพูดมรรคผลนิพพานต้องพูดตามกาละอันสมควรนะไม่ได้พูดเพื่อไม่ได้พูดเพื่อและคนพูดจะเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดไม่ถูกกาละเป็นต้นดีไม่ดีเป็นคำพูดที่เพอ้อเจอนะเขามีเล่าในชาดกพระโพธิสัตว์เนี่ยไปเทศให้พระราชาฟังอุ้ยพระราชา ย, ยกบ้านสวยให้เลย โอ้ท่านพูดดีมากถวายบ้านสวยให้มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็ไปจาริกที่อื่นก็เลยไปให้พูดให้คนพเออไปขอให้คนพายเรือพายไปส่งฝากโน่นหน่อยคนพายเรือก็เอาไปสิบอกว่าจะให้ธรรมะวังนัานเออไปก็เลยไปข้ามไปฟังก็เลยพูดธรรมะให้ฟังเลยก็เลยถูกตบเลยเนี่ยวันนั้นสะบักสะบอมเต็มที่เลยเพ่ะพูดผิดการพูดผิดคนด้วยเนี่ย นันก็การพูดธรรมะพูดศีลพูดสมาธิพูดปัญญาพูดมรรคผลนิพพานเนี่ยก็ต้องการกวัดโดยกาละอันสมควรเนี่ยนะกาพูดนี่จะต้องมีองค์ให้มากๆนะโดยเฉพาะพูดธรรมะด้วยต้องมีองค์นะไม่ใช่ไปเที่ยวเทศ พ, พร่ำไปหมดเลยก็ลําบากแล้วก็สัมมาวาจานี่สําคัญมากนะพูดไม่ดีแล้วจะเป็นเพ้อเจ้อพูดไม่ดีแล้วก็เสียหาย บางคนก็เป็นญาติกันดีๆนี่แหละพอพูดธรรมะเป็นเลยเสียญาติไปคนเลยนะพูดกับใครเสียญาติไปทีละคนสองคนเนี่ยก็เพราะว่ารู้ธรรมะนี่แหละอันนี้มันไม่ใช่ธรรมะไม่ดีแต่คนพูดไม่รู้การเองเนี่ยนะอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอนนรับหน้าที่เป็นศาสดาเข้าอยู่เรื่อยเที่ยวสอนก็เต็มไปหมดเลยทีนี้ที่นี้เนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อไหมเขาไม่ได้ดูตัวคําสอนเท่าไหร่หรอกเขาดูตัวคนพูดเป็นประมาณอนนบางคนเนี่ยไม่ต้องพูดเขาก็เชื่อแล้วล่ะ บางคนยิ่งพูดมากเขารำคาญมาก ม, ากมากเนี่ยนะแนะนําเข้าไปหมดรู้ดีไปทุกเรื่องเนี่ยนะแต่ว่าตัวเองก็ทําไม่ได้หรอกแต่ว่าแนะนํา่าเต็มไปหมดเลยเอางั้นสิเอายังงี้สิเอายางงั้นสิย่างงี้สิรู้ไปหมดอะเสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นเขารําคาญมากๆเลยก็เลยบอกอเขาบอกถ้าไม่เจอหน้าได้นี่มันเป็นความสุขจริงๆริงบางทีก็ต้องคอยหลบหน้าคนพอรู้ธรรมะเนี่ยนะขยันพูดจริงจเลยนะ เลยพูดทีศัตรูเพิ่มคนหนึ่งพูดทีศัตรูเพิ่มไปไ ป, ไปมามาเข้าเลยไม่เหลือพวกเลยเนะหนักๆเข้าพูดภาษาคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเนี่ยเพราะว่าธรรมะที่พูดไม่ถูกกาละอันสมควรเนี่ยนะบางคนก็พูดธรรมะนี่แกนี่มันโง่มันต้องอย่างนี้อย่างนี้นี่นนยนะก็สอนเรื่องดีห น, น่อยนะแต่ว่าไม่ถูกกาละบ้างใช้คําไม่เป็นบ้างอะไรบ้างก็เลยศัตรูเยอะเนี่ยนะก็เลยเข้ารํำคาญมาก